ห่ยหนองคลองบึงเราทำขนาดเดียวไม่ได้ต้องมีงบประมาณมีเอื้องมืออะไรหลายอย่างมีเวลาแต่ว่าทางเดินของกิจใจเนี่ยทางชีวิตของเราเนี่ยเป็นปัจจิตตังทันทีเป็นปัจจิตตัง ท, ท, ทาได้ทันทีหลงก็รู้ได้มันผิดก็รู้ได้มันถูกก็รู้ได้มันถูกก็รู้ได้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 เห็นทำทำก็ไม่ขวงกัน้นข้ามล่วงไปข้ามล่วงไปเอาไปมาก็เห็นสิ่งที่มันขวางกัน้นเป็นปัญญาไปเห็นลูกที่มันเคลื่อนมันไหวหเห็นอาการเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นสุขเป็นมันเป็นทุกข์เป็นเอาไปมาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นปัญญาเป็นปัญญา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 ามันลู่ไปลู่ไปลู่ไปความคิดอาจจะยากกว่าการกระทาบางอย่างการกระทำอาจจะยากกว่าความคิดโดยพ่อภาคปฏิบัติการกระทำในง่ายกว่าความคิดเห็นความโกรธลู่สึกตัวแต่มันง่ายกว่าความคิดบางทีเราไปคิดว่าทำไม่ได้ทำไมได้เพราะทำลงไปจริงๆมันทำได้ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหารอยแปดยากเดือกับความคิด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 รูปหมดรูปครบรูปท่วนอไม่มีอะไรมันก็เป็นรูปเป็นนามความโกรธความโลภความหลงผมเลอความชังความเป็นตกของ ว, วุ่ิเลสตัณหาไม่มีทีตต่ตั้งจะตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีให้ตัง้งมันเป็นรูปมันเป็นนามมันเป็นด า, ารามันเป็นธรรมชาติจินเร่าสุภุหรีมันหายไปไหนก็ไม่รู้คมสุกท่องปลวงมันหายไปไหนก็ไม่รู้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 ก็ช่วยรูปที่มันเป็นทุกข์ช่วยนามที่มันเป็นทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเห็ rolling, นรูปโลกตามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติทั้งหลายทั้งหลายที่มันเป็นสมมุติบัญญัติมันคองมันติดมันท <as. as>. ําให้หลงอยู่ตรงนั้นสมมุติบัญญัติเป็นรูปธรรมสมมุติบัญญัติที่เป็นนามธรรมสมมุติบัญญัติที่เป็นนามธรรม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 ให้สมมุติปัญญัตผูกมัดลัดลึงในเป็นนามปรธรรมที่เป็นรูปประธรรมหเห็นสมอสอนสมุติลือถอนสมมุติเบาวิวอะบบนัเบาวิวเลยวัตถุอาการต่างๆในชีวิตกอเราก็มีวัตถุมีอาการวัตถุภายในมีตามีหูมีจมูกมีลิน้น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 เอาไปมากองงอกงามไปงอกงามแบบโพธิโพธิโพธิคิดชอบฉายาของเจ้าคุณพระราชโพธิจังวัดปทัยพุทธคยาตั้งชื่อฉายาให้พระสงฆ์โวดใหม่ลงไทยโดยโพธิโพธิสุวรรณโพธิอัตตวัตโนโพธิ อรักษคโนโพธิโอโพธิโพธิชอบดีโพธิโพธิไม่ขาดแมแลนไม่เชื่อเชื่อโพธิโพธคือปัญญาคือการหลุดพ้นโพธิโพธิน